และมนุษย์จะถูกนํามารวมไว้เพื่อการคิดบัญชีและการตอบแทนบท น, นี้ได้กล่าวถึงความเอาใจใส่ของตรอศูลด้วยการจดจําอัลกุรอานขณะที่ญิบรออีนได้อ่านให้ท่านฟังท่านได้ใช้ความพยายามในการติดตามญิบรออีนท่านได้กระดิกลิ้นของท่านพร้อมกับเขาเพื่อจดจําสิ่งที่ยิบรออีนได้อ่านให้แก่ท่านอันลลอฮฺจึงมีบัญชาให้ท่านฟังการอ่านอัลกุรอานของยิบรออีนเสียก่อนและจะได้ดวนกระดิกลิ้น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 โดยที่ความหวาดกลัวและความยากลำบากจะปรากฏขึ้นมนุษย์จะเกิดความขับแชนและความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยวันนี้ได้จบลงด้วยการยืนยันถึงการชุมนุมและการกลับไปเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์ทานด้านสติปัญญาย ด้วยพระนามของอลอร์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเม่ตาเสมอข้าขอสาบานต่อวันขีม่มาและข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเอง ان ان أن ع ع มนุษย์คิดหรือ ว, ว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของพวกเขากระนั้นหรือแน่แนอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้กลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว เขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นเมื่อสายตามืดมัวและดวงจันทร์ถูกบดบงังด้วยความมืดและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกันวันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางนี้ เปล่าเลยไม่มีที่ขึ้นบอกนในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุข أ إ ว, วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบทุงสิ่งที่ได้กระทำไว้ก่อนและในภายห ล, ลัง เปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยาน ต, ต่อตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตกาม เจ้าอยาการะดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจกาำแท้จริงหน้าที่ของเราคือรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในสวงกของเจ้าและการอ่านมันดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นุมมาอินนลบ เราแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัง้งกรุณากล่าวเลยแต่พวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และพวกเจ้าละทิ้งปรโลกในวันนั้นหลายหลายใบหน้าจะเบิก บ, บานเจ้ามองไปยังพระผู้วิบากของมัน และในวันนั้นหลายๆลายใบหน้าจะเศร้าสลดมันคิดว่าความไห้อนาอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัเปล่าเลยเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงขอหอยและมีพู้กล่าวว่า ใครเล่าที่ให้เจ้าฟื้นขึ้นเหมือนเดิมและเขามั่นใจว่าถ้าจริงเขาต้องจากไปและขาข้างหนึ่งทับขายข้างหนึ่งเพราะความกลัว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 แล้ว ก, ก็เดินไปหาพรรคพวกของเขาอย่างยิ่งยะโสาา أ ا. ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเกิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดแล้วความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดมนุษย์คิดถรืว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระดานหนึ่งมมมมเขาไม่ได้เป็นหย ด, ดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกให้พุ่งออกมากระดานหนึ่งมมลลแล้วเขาได้เคยเป็นก้อนเลือด ก, ก้อนหนึ่งแล้วรองทรงบังเกิด แล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์แล้วโรงทรงทำให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิงดังนั้นโปรงจะไม่สามารถให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้ น, นึ่ง